บุก <Book> <15. S 1> ทูสิบห้าทตมิตเมติผลไม้และอาหารฮิลิตาสุรสลตาสุสติดิฉันมีสตรอเบอรี่ เมมัมกฟ์สมาร์ตควีเมมัก์มาร์ควีวดิฉันมีกีวีและแตงโมเมมัมกฟ์สกีวีดาซามทรเมมัมกฟ์สกีวีดาซามทรูดิฉันมีส้มและเกรฟฟรุตเมมักฟ์สพอร์โทชัลลิดาเกรฟฟรุติเมมัมกฟ์ส พอร์ตคาลีเกรพุติดิฉันมีแอปเปิลและมะม่วงเมมส์วาชลีดามังโกเมมักส์วาชลีดามังโกดิฉันมีกล้วยและสับปะรดเมมักส์ปาานดาอานนซีเมมส์าานี ดิฉันกำลังทาสลัดผ ล, ลไม้เมฟักเอทเทปฮลิสลฟกเทเปฮิลิ ส, สลัดลสสล ด, ดิฉันกำลังทานขนมปังปิง้งเมฟุออร์ทชบลเมฟุจอร์ทชอบิลสัลส ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนยเมฟจัมออร์อบิลัสคาราคิเมจัมออร์ทชอบิลัสคาราคิด ด, ด, ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยมเมฟจัมออร์ทชอบิลัสคาราคิดมิตเมจัมออร์ทชอบิลัสคาราคิดแต่มิต ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชเมแซนด์วิชเมื่อช้ำแซนด์วิชดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทาเนยเทียมเมื่อช้ำแซนด์วิชมาร์การินิตเมื่จช้ำแซนด์วิชมาร์การนิต ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียมและใส่มะเขือเทศเมื่อฉันแซนด์วิชมาราตเราต้องการขนมปังและข้าวฉเวนปูริดะบรินจิกชิรเดบะฉเวน รรเราต้องการปลาและสเต็กฉวนเทวซีดาสเตกคุ้มชิรดวทวซีดาสเ i กิกรบเราต้องการพิซซาและสปากเกตตีชวนพิซซาดา g ิการติกุ้ชิรเดบะ พิซซ่าแต่สปาเก็ตตกุ้ชิดะเราต้องการอะไรอีกไหมกรกิด์กี่เดอรักชิดะ เ, เราต้องการแครอทและมะเขือเทศสำหรับทำซุปชเวนซุปอิสตุิสต์อาพิโลดาอมิโดริกุ้งชิลด ผมต้องรีกวิดีร์เดปะซุปเปอร์มาร์เกตอยู่ที่ไหนซาดาริสซุปเปอร์มาร์เกติสัดาริสซุปเปอร์มาร์เกติการุณาไปที่ w w w b o o k 2 d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด